คนเราจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามต่างก็หวังให้ชีวิตของตนเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นคุณหมออมรามาลีลา เราก็มาฝึกเจริญสติกันทุกวันทุกวันทําไมเราต้องมาเจริญสติด้วยบางท่านอาจจะสงสัยเราจะเจริญไปทําไมสติเนี่ยเราจะมีไปทําไมสติทุกวันนี้เราก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่เห็นประโยชน์ของการที่มีสตินก็อยากจะบอกสักหน่อยว่าประโยชน์ของสติเนี่ย มีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของเราถ้าเรามีการเจริญสติมีการฝึกสติอยู่ในตัวเราหนึ่งๆแล้วเนี่ยเราจะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะโดยเฉพาะธรรมะถึงขั้นลึกซึ้งิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอาจจะไม่ซึ้งพอเท่ากับที่เราเข้าใจหรือเห็นด้วยตัวของเราเองเราปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเ เราจะเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะหรือบางทีเราอาจจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอันนี้คือผลของสติถ้าเรามีสติแล้วความสุขทางกายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขทางจิตใจก็จะเกิดขึ้นคนที่เจริญสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยจะมีจิตใจที่เป็นชัยชนะจิตใจจะชนะ ชนะอะไรชนะความทุกข์ความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ความขับแค้นใจความโทมนัสต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการของความทุกข์ตลอดสายเลยคนที่มีสติอยู่เสมอๆจะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติ อันนี้เป็นประโยชน์ของการฝึกสติอยู่เสมอๆเอพราะนั้นเราจึงต้องมาสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นในตัวเราเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้แหละอาจจะใช้ลมหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้มีสติเข้าไปรู้หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกซึ่งมันอยู่แล้วในปัจจุบันเนี้ย เราสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเราจะเคลื่อนไหวมือของเราเป็นจังหวะจังหวะพลิก่ํามก็รู้สึกพลิกมือหงายก็รู้สึกรเราจะยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสิบสีจังหวะตามแนวหลุมพะเทียนก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันย่อมมีได้อยู่เสมอเสมอทำใหม่ๆขอให้เราเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อย เจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็เจตนารู้สึกตัวลงไปอันนี้เป็นความเพียนพยายามให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวการก้าวเดินแต่ละก้าวให้รู้สึกตัวให้มีสติ ล, ล็กลุ้นลงไปที่เท้ากระทบพื้นอันนี้เป็นในรูปแบบหรือเราจะทำนอกรูปแบบก็ได้คือการออกกำลังกาย ในท่าโยคะแอรโรบิกหรือไทเก็กอาการเหล่านี้ทำให้เรามีสติได้คือการมีสติไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายการดื่มน้ำการหยิบช่วยปัดกวาดซักผ้าหุงข้าวทุกอย่างเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอิรลียบท่างๆเนี่ยเราสามารถเติมส ต, ติลงไปได้ ให้มีสติอยู่เสมอๆในกายของเราและก็ในจิตใจของเราไม่ว่ามันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้มีสติละเลอกรู้ลงไปในความคิดนั้นเดี๋ยวความคิดมันก็ดับไปเพราะความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงที่กายเราก็รู้ได้ที่จิตคือความคิดในอารมณ์ต่างๆเราก็รู้ได้ทุกครั้งที่เรารู้เป็นปัจจุบันอยู่ตรงนั้น เท่ากับว่าเราได้มีสติแล้วได้ปฏิบัติแล้วอันเนี้ยสาคัญมากเราอย่าเพิ่งไปหวังผลว่าจะได้อะไรจากการปฏิบัติการหวังผลน่ะทำให้ใจเราต้องฟุง้งซ่านสงสัยบางท่านนี่พอเริ่มลงมือปฏิบัติใจก็แสวงหาความสุขแล้วอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดอันนี้แหละ ใจเราก็ตั้งต้นไม่ผิดแล้วเราจะไม่สงบเลยถ้าเราหวังว่าจะให้มันสงบเรามาสร้างเหตุตรงนี้ก่อนคือสร้างสติซะก่อ น, นบางคนปฏิบัติแล้วมันเกิดความสุขเกิดความสงบอ่าก็ดีใจวันนี้เราปฏิบัติ ด, ดีนะพอวันต่อมาเนี่ยมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความไม่สงบก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็เลยมาบ่นว่าเออวันนี้เราปฏิบัติไม่ดี ไม่ใช่หรอกครับการปฏิบัติเนี่ยไม่มีการดีหรือไม่ดีบางครั้งมาเกิดความสุขบางครั้งเกิดความสงบเราก็รู้ไว้เป็นธรรมดาแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความฟุง้งซ่านอาจจะเกิดความหงุดอิดไม่สงบก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งสุขสงบทั้งทุกข์ไม่สงบเนี่ยเราเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เลยเราเป็นเพียงผู้สังเกตการ์ดนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปรุงแต่งให้มันสงบหรือไม่สงบสงบก็ถูกต้องเรารู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่สงบก็ถูกต้องเราก็รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางไปเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ไว้เฉยๆเราจะได้มีจิตใจที่อยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความสงบมีจิตใจที่อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความไม่สงบความสุขความทุกข์ เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตจิตใจของเราตอนนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของนักปฏิบัติคือรับรู้รับทราบไว้เฉยๆถ้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขหรือความทุกข์ก็ขอให้เราเกี่ยวข้องด้วยการมีสติรู้อยู่เสมอๆในความสุขความทุกข์เหล่านั้นให้รู้เฉยๆเป็นเพียงแก่ผู้รู้รับรู้ไว้เฉยๆใจเราจะสงบยิ่ง จะสงบซึ่งอันนี้ลราคือธรรมะคือสัจธรรมคำ่ารู้เฉยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้สิ้เนเชิงมีประสบการณ์ชีวิตครั้งสุดท้ายของพระเถระรูปหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังชีวิตของท่านเนี่ยท่านบวชเพราะว่าท่านเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมากท่านบวชมาแล้วเนี่ยท่านก็ลงมือเจริญสติเลย ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในการใช้ชีวิตแต่ละวันท่านฝึกสติอยู่เสมอเสๆหลงไปบ้างเผลอไปบ้างท่านก็พยายามที่จะระลึกรู้ไว้ทุกขเวทนาในตัวท่านนีนมีมากแต่ท่านก็พยายามที่จะรู้สึกตัวไปกับทุกขเวทนาฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่นานท่านก็ไล่ฟังว่าท่านมีโรคภัยจนกระทั่งถึงกับต้องมรณภาพต้องเข้าโรงพยาบาล ตอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ยังมีสติอยู่เสมอเสมอเวลาเวทนามันแรงกล้าเนี่ยท้าไลายฝังว่าถ้ารู้ตลอดว่ากายเนี่ยท่านเป็นอะไรเป็นทุกข์มากกายเนี่ยมันจะแตกให้ได้แต่ใจท่านเนี่ยถ้าบอกท่านไม่ทุกข์เลยท่านเป็นเพียงแค่รู้เฉยๆรู้ในอาการของกายกายก็คือกายจิตก็คือจิต มันแยกกันโดยที่ท่านไม่เจตนารู้ไมก่กระทั่งคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขตัวท่านให้ฉีดมอร์ฟีนบ้างให้ปั้มหัวใจบ้างให้ใส่ท่อออกซิเจนบ้างท่านรู้หมดเลยว่าคุณหมอคุณพยาบาล ท, ทำอะไรอยู่ท่านเองก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรตัวท่านกายคุณหมอก็ช่วยไปแต่จิตใจนี่ท่านช่วยตัวท่านเองจนกระทั่ง คุณหมอสามารถช่วยเหลือชีวิตไม่ได้ถ้าเก็เลยไพ้นวิกฤตตรงนั้นฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ ง, งท่านเลาใ้ฟังว่าท่านเพียงแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆถ้าว่าท่านในมรณภาพไปตอนนั้นเนี่ยจุติจิตคือจิตที่ตายเนี่ยจะต้องไปเกิดดีเพราะเพลินอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้พบชาติก็ดีเพราะฉะนั้น ญาติธรรมฝึกจริ้สติไปเรื่อยๆเอะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยใหม่ๆเนี่ยเราสร้างเขาขึ้นมาคือสร้างสติต่อไปเนี่ยเขาจะสะสมบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยเขาก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจกนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตห้านาที10นาทีเนี่ยสติที่เราสร้างมาเนี่ยเขาจะมาช่วยปรุงแต่งพพชาติของเรา ถ้าเราไม่บรรลุผลหรือมากผลที่พายในชาตินี้เราก็ไปเกิดดีมันเป็นจิตสุดท้ายตอนจิตจะดับเนี่ยให้ญาติคอยบอกว่าพุโทโธพุโทโธนะเราไม่ต้องผู้ที่ปฏิบททัติธรรมเจริญสติอยู่เสมอเสมอไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราสร้างมีอยู่แล้ว เ, เพราะนั้นช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราอาจจะเห็นผลตรงนั้นก็ได้ เพราะว่าได้รับประสบการณ์จากหลายท่านที่เล่าให้ฟังผู้ที่เขาว่าตายไปแล้วแต่ว่ากลับฟื้นคืนมาก็เพราะตรงนี้แหละพราสตินี่มันช่วยจุดติจิตไม่ให้มันดับให้มันฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตต่อในบนโลกนี้เพราะนั้นสร้างไปเลยครับอย่าที่ดับไม่เสียประโยชน์จะมีแต่ประโยชน์ส่วนเดียว